กับการศึกษาการปฏิบัติธรรมเอามีงานในการ่อมีคิดกับทรรวัฒน์เช่าธรรมวัดเย็นกิกรรมำนิชวนกันทมเตะข้อ ง, งเตะแล้ครั้งบอกกันแต่ว่าภาคปฏิบัติต้องทำเอาเอง แล้วก็เห็นตัวเองแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ถูกในสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกมันก็บอกอยู่สิ่งที่ผิดมันก็บอกอยู่ความเป็นทุกข์ความเป็นสุขความเป็นความรู้ไม่รู้มันก็บอกอยู่ไม่มีปัญหาอะไรการปฏิบัติธรรมเวลาใดมันหลงมันก็บอกเราอยู่เวลาใดมันไม่หลงมันก็บอกเราอยู่ ไม่รด้ับซับซ้อนอะไรอะไรอะไรมันมง่วงเหงาห่อนอนมันก็บอกเราอยู่ใน อ, อะไรมันจิตทุ้งสา้นมันก็บอกเราอยู่เราจงพยายามดูแลตัวเองเอาโดยพระหลักของเราก็มีอยู่ฐานก็มีอยู่ตั้งไว้สติปัฏฐานกายานุปจนนาในสติตั้งไว้ที่กายแต่กายเราก็มีอยู่ เราอยากูัวม่อใดอ ร, รีตบทสมญญบัตชัญบัพพะสร้างขึ้นมาประกอบขึ้นมาความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวหาไม่ยากสร้างไม่ยากเราก็ขยัดตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้อรีตบทหมายก็ตามความรู้สึกตัวลงได้ประกอบได้ ั้งต่ลมหายใจเพิบตาเคือนน้ำลายผอ้ยียดเคลื่อนไหวเดินจงกรมหาได้ไม่ยากเป็นเรียทรัพย์ภายในคมหน้าคม ต, ตาสร้างตัวรูตัวนี้ไว้ก่อนให้มันเป็นฐานเป็นที่ตั้งมันหลักรัพย์ฐานของเรามันก็ไม่มีหลักในฐา น, นเรามี รับภายนอกมีหลักฐานบ้านเรือนเลือสวนไรนามันเป็นฐานที่เราจะต้องเครืองพาใสพยายามขัดสนพยายามจำเป็นรับภายในเราเนี่ก็มีที่ตั้งมีฐานอยู่อยู่กับเราตลอดเวลาเวลาเราปฏิบัติเราก็มีหลักฐานตัวนี้ เว่าสิ่งเรื่องจะทำให้หลุดให้หลงไปล้วก็กลับมาหาเทตั้งเวลานี้เวลาที่เรามาเจริญสติไม่ใช่เวลามาคิดมาสุขมาทุกมาเอาผิดมาเอาถูกคนอื่นจะทำให้เราผิดคนอื่นจะทำให้เราถูกคนอื่นจะทำให้เราสุขเราทุกข์ไปก่อนรัดคิวไปก่อนเอาไปมั่วสุขมวทุกกับตัวเองกับคนอื่น มาจเจริญสติมาจเจริญสติทําเอาทําเอารู้เอาไว้รู้เอาไว้อัตไกรมันเคยคิดให้เป็นนิตใสง่ายที่จะรู้ต่อไปทําใหม่ๆอาจจะง่ายที่จะหลงตัวรู้สึกตัวตัวรู้สึกตัวนี่คือทั้งหมดของชีวิตแล้ว รับผิดชอบตัวอเองแล้วอยู่โดยชอบแล้วผู้ใดพิสูุทั้งหลายเมื่อพวกเธออยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าตรัตอววออตสอะไอย่างนี้นี่แหละความอยู่โดยชอบตรู้สึกตัวรู้สึกตัวอยู่นะไม่ใช่อยู่สุกโตไม่ใช่อยู่ประเทศอินเดียอยู่กับพระพุทธเจ้า มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งการอยู่โดยชอบเพื่อมีความรู้สึกตัวถ้าจะพูดก็รู้สึกตัวแล้วพูดถ้าจะทําก็รู้สึกตัวแล้วทําถ้าจะคิดก็รู้สึกตัวแล้วคิดเอาคำพูดมาใช้เอากายมาใช้เอาใจมาใช้อย่าให้มันใช้เราก็ใช้มันก่อนเถอะตรงนี้เป็นความคิด มันจะใช่เรามากกว่าอย่างอื่นความร้อนความหนาวความหิวมันใช่เราเป็นครัง้งเป็นคราวถ้าหิวก็ไปกินข้าวถ้าร้อนก็ไปอาบน้ำถ้าหนาวก็ห่มผ้าแต่ว่าความคิดนี่มันใช่เราเก่งที่สุดมันพยายามที่จะหานะโอกาส แม้แต่นอนก็ยังฟัดไปเรายังมาฝึกหัดเพื่อให้เป็นใหญ่ในชีวิตความรู้สึกตัวมันเป็นใหญ่ในชีวิตที่จะใช้ชีวิตไม่มีอะไรใช้เลยมันทั้งหมดคือความรู้สึกตัวพอเราเห็นเห็นอะไรทุกอย่างทำใหม่ๆ่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับกายกับใจ จะโชว์ให้เราเห็นอยู่ทุกเรื่องทุกราวในลายในใจในกายก็มีเยอะแยะที่เป็นทุกข์ที่เป็นสุขในจิตใจก็มีเยอะแยะที่เป็นทุกข์ที่เป็นสุขเราอย่าไปติดสุขก็าอย่าไปติดทุกข์ความสุขความทุกข์มันเป็นสังขารอยู่ ามไม่สุขก็มไม่ทุกข์ที่มันหยุดกลางก็ยังเป็นสังขารอยู่แต่ว่าใจถ้าไม่มีสติถ้าไม่มีสติมันแปลเปลี่ยนได้ในความทุกข์เราก็มีความสุขในความสุขมันก็มีความทุกข์ถ้ามีสติความสุขความทุกข์ไม่ไม่ใหญ่เราก็เห็นมันเฉยๆต้องรู้จักตัวหน่งแต่เป็นใหญ่ป่ว นะเรียกว่าสติอินทรีย์ไม่ใช่ตาไม่ใช่หูไม่ใช่จมูกไม่ใช่เลี้ยนใช่กายเป็นใหญ่ใหญ่เป็นข้างเป็นข่าวแต่ว่าเมื่อสติอินทรีย์ใหญ่แล้วเอาตาเอากายเอาใจเอาหูเอาจมูกเลี้นไม่ใช่ตามความเหมาะสมเราเปลี่ยนพยายามสร้างตัวนี้ขึ้นมา ล้มันมีอะไรที่ทําให้หลงอยู่ก็ลู่มันซช่แล้วพัดไปกับมันเปลี่ยนวันซช้เวลามันหลงเปลี่ยนเป็นตัวลู่เช่ก่อนเธอะมันจะเป็นสุขเป็นทุกข์ก็เปลี่ยนเป็นตัวลู่เช่ก่อนเธออดวนไปรับเอาสุขอดวนไปรับเอาทุกข์ลู่เช่ตัวเอาไว้ก่อนนี่ตือปัจจุบัตนเอาหมดเป็นตัวลู่ทั้งหมดเลย เรื่องของกายของใจนี่ไม่มีอะไรเสียหายดอกถ้าเราทำเป็นหลักของภาวนาเปลี่ยนร้ายเป็นดีได้ทั้งนั้นสมกับชื่อเป็นภาวนาเป็นวิชาที่ครอบจักรวาลเพราะว่ามันเปลี่ยนได้จริงๆ มันทุกข์ก็เปลี่ยนไว้ทุกข์มันสุข ก, ก็เปลี่ยนไว้ถุขมันหลงก็เปลี่ยนไว้หลงความรู้สึกตัวแล้วค่อยไปตามสภาวะธรรมของเขาโดยไม่ต้องง้อหลงง ม, มงายความรู้สึกตัวน่เป็นชีวิตจริง เป็นชีวิตที่เราใช้ได้เราใช้มันได้สำเร็จประโยชน์คองมหลงไม่ใช่ชีวิตความสุขความทุกข์ไม่ใช่ชีวิตผวมรู้สึกตัวในต่างหาเป็นชีวิตของเราสึกให้มากเจริญให้มากมันหลงเพื่อให้เราศึกษามันสุขมันทุกข์เพื่อให้เราศึกษาเรียกว่าสิขา เป็นชีวิตศิกขาและทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของเราทั้งหลายย่อยออกไม่ให้เป็นดุนเป็นก้อนจึงจะเป็นชีวิตจริงๆแต่เราไม่ศึกษาไม่มีตรศิกขามันก็เป็นดุนเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนอยู่ในทุกเรื่องทุกลาว เราศึกษาศึกษาสิกาสขาแล้วก็ถน์หลงกลายเป็นศีลกลายเป็นสมาธิกลายเป็นปัญญาศีลกำจัดทุกสมาธิกําจัดทุกปัญญากําจัดทุกไม่แต่ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นไม่แต่ทุกเท่านั้นตั้งอยู่แตาไม่มีทุกต่อมาไม่มีอะไรที่ตั้งเลยต่อไป อันด่วนพอสมควรอยู่อาจจะเปรียบเหมือนเราไปไหนก็ไม่ต้องไปเข้าคิวพิเศษวิเศษวิเศ ษ, เศษคือวิปัสสนากรรมฐานวิเศษในชีวิตเป็นโอกาสวิเศษทุกเรื่องทุกราวไม่้องไม่ติดไม่เข้าคิวไม่เข้าล่อ เป็นพิริศที่เป็นอิสระที่สุดผู้ที่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเราใช้สิทธิ์ของเราเราใช้สิทธิ์เราใช้หน้าที่ของเราใช้ความเป็นธรรมที่มีอยู่ในเราความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นม า, ร า, นมาประกอบขึ้นมา ไม่ใช่มัวแต่เออยู่ไม่ใช่เอาทันทีเลยอยู่ที่ไหนก็รู้ได้ทันทีหรือว่าการเจ็บอารมณ์ของทีพวกที่มาทำวัดไม่ได้เจ็บอารมณ์ไม่ใช่พวกคือปฏิบัติผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในปกอยู่ในกติอยู่ในกระต้องไม่มาฉันไม่มาทำวัดนั่นเป็นผู้ที่เก็บอารมณ์ก็มไม่ใช่หรือว่าเป็นกรณีพิเศษที่เขา ที่จะทําขึ้นมาความเจ็บอารมณ์ก็คือรู้สึกตัวนั่นแหละแต่ว่าเจ็บอารมณ์คือไม่ปล่อยเิ่งๆพ่งคล่องคลําลดับลํานําผู้ที่อยู่ไม่มาทําวัดกระชิดเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกูที่มาทําวัดกระชิดเป็นหลงเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นแล้วก็เปลี่ยนมันไปตรงนั้นแหละแต่ว่าเก็บอารมณ์ ืเก็บเอาความรู้สึกตัวมันนีให้มันมากขึ้นมาจนเป็นมหารูกเป็นมหาสติแล้วก็สร้างเอาก็ได้ประกอบเอาก็ได้เรามีวัสรุอุปกรณ์สร้างขึ้นมามันหลงก็ดีจะได้รูก มันสุกพอดีจะได้รู้มันทุกข์พอดีจะได้รู้อะไรที่ไม่ใช่สตินั่นแหละมันตรงกันข้ามพอดีสติกัมชัญญะเป็นหลักมีกายเป็นฐานไม่แต่จิตใจแม่แต่บําเพนทางจิต ก, ก็คือจิตนี่แหละที่มัน หลงตั้งแต่เริ่มต้นจนครั้งสุดท้ายเรียว่าบํามเพลิทางจิตเช่นเรากำหนดายเพื่อนไหวมีสติอยู่ก็ถือว่าคํามเพลินทางจิตเราเห็นแล้วเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเมื่อเสื่อเรานด้นมาเกิดขึ้นมากับเวทนาเวทนาอาจจะ ทำเนี่ยชำานาญแล้วเข้าใจเรื่องอารมณ์เบื้องต้นรู้จักรูกรู้จั ก, จากนามพอเวทนามันเกิดขึ้นเราเรียกว่าเป็นอาการวับวับแวมเล็กๆน้อยๆไม่ยิ่งใหญ่ พอเราเห็นอย่างนั้นจริงๆเห็นธรรมที่เป็นความรู้ความไม่รู้เป็นกุศลเป็นอกุศลเรเรื่องเก่าเรื่องเก่าไม่มากไม่เป็นภาระได้หลักได้ฐานเห็นโลกเห็นนามมาบำเพ็ญทางกิจ มาบำเพ็ญทางจิตก็ไม่ใช่ว่าไปนั่งคอยดูความคิดตัวเองเมื่อไหร่มันจะคิดเมื่อไหร่มันจะคิดไม่ใช่อย่างนั้นการบําเพ็ญทางจิตก็คือมามีสตินี่แหละสติเหมือนเดิมแต่มันตรงกันตรงกันความรู้สึกตัวตรงกับจิตพอดีเพราะจิตมัน เ, เป็นผู้แข่งความคิดที่เกิดจากจิตความหลงความสุขความทุกข์ที่มันเกิดกับจิตมันจะเป็นผู้แข่งของสติ ส่วนกายส่วนเวทนาส่วนทรรมที่มันเป็นอาการต่างๆมันแข่งไม่ได้แล้วเอาไว้หลังแล้วนันนักกีฬาเขาไปแข่งขันกันเอาไว้หลังแล้วโูรแข่งจริงๆต้องเป็นรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายของชีวิตเราคือควาเข็มขัดคิดชนะแพชนะตรงนี้แหละ เรียกว่าบําเพ็ญทางกิจมีสติดูกิจในกิจดูกิจเขก็เทียนพูดเอาเนเป็นคําพูดแต่ว่าเป็นการกระทําเป็นเรื่องของเรามีสติเัื่องคมันกิตนั่นแหละเป็นรูปเป็นกายนั่นแหละเป็นกิตนั่นแหละเป็นรูปเป็นนามนั่นแหละทั้งหมดแล้วความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวทั้งหมดของชีวิตทั้งหมดของการบําเพ็ญทางกิจแล้วกละรู้สึกตัวของพัฒนากายพัฒนากิจแล้ว ไม่สิ้นเปืองพลังงานไปทางอื่นของรู้สึกตัวคือเรื่องของกายเรื่องของใจเรื่องของโลภเรืงของนามพัฒนาทั้งสองอย่างพอมันหลงก็พัฒนาเป็นไม่หลงได้ทั้งสองอย่างไม่ใช่ไปจ้องไปมองหาความคิดเมื่อไรไมันจะคิด ทำไมมันจึงคิดไม่ใช่สร้างสติตัพื้ตัวพือไปสติตัวนี้ก็พัฒนาไปเรื่อยๆความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็เป็นพะละเป็นกำลังไปเรื่อยๆเข้มแข็งไปเรื่อยๆจนเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญา ศีนก็ปกติแล้วคนมีสติก็คือปกติแล้วสตินี่แหละถ้าไม่ปกติเหมือนภูเขาศีลาจึงทึบไม่สื่อสะเทือนพลมันใดคนมีความปกติไม่สะเทือนพ้อนอินทางสะละเสริญคนหนักแน่น การใส่ใจที่จะรู้สึกอยู่เสมอไม่ทอดทุละเ ก, กาะกันไว้เป็นโซ่ยาวออกไปการใส่ใจที่จะรู้สึกตัวใส่ใจที่จะรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็ประกอบสัมผัสได้จริงๆอยู่กับกายอยู่กับอะไรก็ได้รู้สึกตัวทุกเรื่องทุกราว์นะเรียกว่าสมาธิแล้วชัดเจนแล้วเฉพาะเรื่องเฉพาะเรา ไม่สับสนสมาธิคือเฉพาะเรื่องชัดเจนแม่นยำโลกกายก็โลกกายจะใช่ใจก็ใช่ใจจะใช่ตาก็ใช่ตาจะใช่หูก็ใช่หูเฉพาะเรื่องไหโปนเปกันเียกว่าสมาธิชัดเจนแม่นยำเหมือนกับเรา เป็นเจ้ารับเรียกจัดสิ่งจัดของเพือ่อใช้ใหม่สอยเราอยู่กรุงเทพว่าจะบอกคนที่อยู่บ้านเอาอันนั่นอยู่ตรงนั้นงานนี้ได้ชัดเจนเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นศินเห็นสมาธิเห็นปัญญาเห็นลูกเห็นนามเห็นบาปเห็นบุญไม่หลงในบุญไม่ห ล, ลงในบาป อ่านมาแล้วนะมีปัญญากลบลูกลบลูกลู่ลอกอยู่เสมอไม่ไปทางเดียวเรามีหลายอย่างในลูกในนามอะไรที่มันเกิดลูกเกิดูกเกิดผิดเกิดสุขเกิดทุกข์ในลูกในนม้มลอบลูก เป็นของรู้สึกตัวถ้าเป็นคําพูดก็รู้แล้วรู้แล้วว่าอย่างนี้แต่ว่ารู้แล้วมันก็ตูกต้องทั้งหมดแล้วมันหล ว, วิปัสสนาคือรู้แล้วแต่รู้แล้วก็พ้นแล้วเราจึงฝึกหัดให้มันเป็น เรรูลแล้วแต่ไม่ใช่คำพูดปัญญาณเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นพลังของปัญญาที่สุดคือปัญญาปัญญาสมาธิศีลศีล ส, สมาธิปัญญามันลอกนะสนับสนูนกันหมันจักหลังกรงจักพระพรุทธเจ้าแสดงรรมจับมันหมุนไป ในกลุ่มของศีลของสมาธิของปัญญาของสตินะมันเหยียบไปความโห่หลงอมง่ายความสุขความทุกข์ความโกรธความโรคความหลงมันเหยียบย่ําไปจนแหลกแล้วตายเป็นปุ๋ยไปเลยนะเหมือนพวกเราไถหญ้าคาปลูกป่าแต่ก่อนเป็นป่าเป็นโพลเป็นดงจะถูกเหยียบย่ํำลงไปทิกงลงไปเปลี่ยนลงไปตายเป็นปุ๋ย จากยาคาเป็นตันตั น, ตนถ้ารวมกันควมโลภสึกตัวตัวนีเป็นประโยชน์ได้ประโยชน์จากความหลงความผิดที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นกรพ้นอะไรก็พ้นจากทุกธิวเตอที่พ้นจากปัญหาพ้นจากภาระนั่นแหละ นั่นแหะเป็นเทเกณฑ์ขีวัตให้เราสุขใ ค, ใ, คใครจะไม่รู้ทุกข์ใครจะไม่รู้ความหลงใครจะไม่รู้ความโลภความโกรธใครจะไม่รู้ความงงเาหาห่อนอนใครจะไม่รู้รู้มาแล้วทางนั้นไม่ต้องมาบอกไม่ต้องมาอธิบายไม่ต้องอธิบายให้ฟังรู้แล้วนะพรมาทางนั้นจริง เราเดินก็เดินทางเดียวกันคนที่ผ่านก็ผ่านไปทางเดียวกันคนที่พ่นเชียงน่านก็พ้นเหมือนกันแต่ว่าปฏิบัติธรรมทางอันเอกหมายเลขหนึ่งเดินคนเดียวไปที่เดียวไปถึงจุดหมายปลายทางอันเดียวกันไปสู่ที่เดียวกันของจริงต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าจะอันนั้นเป็นพุทธอันนั้นเป็นพิธีอันนั้นเป็นอิสลามไม่ใช่มันเป็นสมมุทบัญญา เป็นพุทธเป็นคทิดเป็นอิสลามเป็นเฮนดูก็คือลูกกับน้ำใ้โลกในน้ำก็ไม่เหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันในสุขในทุกในร้อนในหนาวมีเวทนามีเหี่วในโกมีโกรธมนหลงศาสนาก็คือตัวลูกตัวนามตัวโมนีมันไม่แต่จะพูดหรากคมันไม่ม่ทุกนั่นแหละตัวศาสนาจริงคือพ้นจากสิ่งเหล่านี้ แต่ยังโกดอยู่ถ้าพูดภาษาธรรมนะเลยว่าไม่มีศาสน า, ศาแต่แม่จะว่าพุทธัทงสรางกัจฉามิคำังสรางกัจฉามิสังคังสระังกัจฉามิตว่าจะปา ก, กเฉยๆภายในลึกซึ่งไม่มีเป็นภาษานกแก้วนกขนทองไปแต่ตัวศึกษ า, าจริงมันมีไม่ต้องว่าพุทธัทงสรังกัจฉามิก็ได้มันก็เห็นแจ้ง คนในศาสลาคือคนที่ไม่ทุกข์ไม่หลงไม่โกรธไม่ทุกข์ไม่หลงไม่โกรธ ไ, ไ, ไ, ไม่วิตกกังวลไม่เศร้าหมองเป็นชีวิตที่มั่นคงึงการเป็นการพึ่งได้คนอื่นก็พึ่งได้สิ่งอื่นก็พึ่งได้แต่ยังมีความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงอยู่ตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้อจึง มาสร้างมาปฏิบัติให้มันมีตั้งแต่วันนี้เวลานี้เพราะสิ่งที่ทำให้เราหลงในตัวเราก็ไม่มากหรือเกินให้พ้นซะทำให้หลุดทำให้พ้นซะมันก็รีบด่วนอยู่ดอกการปฏิบัติธรรมนะได้ดังใจอยู่ สมปราถนาดูเรียกว่ามนุษย์สมบัติอยู่ใช่ได้จริงๆมันหลงก็เปลี่ยนเป็นตัวโูดได้จริงๆมันทุกข์ก็เปลี่ยนเป็นตัวไม่ทุกข์ได้จริงๆมันโกรธก็เปลี่ยนเป็นความไม่โกรธได้จริงๆแล้วก็เปลี่ยนในตัวเองจริงๆิสิ่งที่เราเปลี่ยนก็ได้ทันทีไม่มีอดีตไม่มีอนาคตเป็นปัจจุบันใช่ไหม เราหลงไหนรู้จริงๆเป็นปัจจุบันจริงๆไม่ใช่วันนี้หลงพวกนี้ค่อยรู้ก็ได้เราอันนั้นไม่ใช่ตอนทุกข์ไม่ใช่เออวันนี้ทุกข์ไปก่อนจะเกิดสุขต้องเป็นทุกข์ลงทุนก่อนคนก็ว่ากันแต่เป็นคําพูดที่ไพเราะจริงๆเอาจริงๆภาคปฏิบัติมันเป็นบทเรียนเฉยๆวันทุกข์ก็ไปทุกข์ทันทีอ่ เมื่อมันหลงก็ไม่หลงทันทีเมื่อมันโกรธก็ไม่โกรธทันทีนี่ใชได้อย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติเรียว่าพุทธศาสนาถ้ามีบุญก็มีบุญได้จริงๆงใจดีเดี๋ยวนี้อ้าไม่บาปก็ละได้จริงๆความโ ก, ก, กรธตอนี้นี่หยุดทันทีหยุดได้แล้วจริงๆริงเลย น, นเป็นประตูสวรรค์ก็เปิดได้เข้าไปสวรรค์อ่า มันปิดอยู่คืออะไรความปิดของสวรรค์คือความหลงมันปิดประตูสวรรค์ความหลงพอสร้างความรู้สึกตัวก็เปิดแล้วนะไม่หลงแล้วแ้่จะปิดประตูนรกก็ปิดได้ทันทีความหลงมันเกิดขึ้นไม่ได้พาเรามีความรู้สึกตัวนะเอาอย่างนี่ไปก่อนเห็นกับหูกับตาอย่างนี่ไปก่อน ทำได้กับมือกับกายกับใจเราอย่างนี้ไปก่อนมันจึงจะเป็นของจริงที่เป็นปัจจิตังถ้าไม่ทํากับมือเห็นกับหูกับตาทําได้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เป็นปัจจังไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าคําสอนของพระเจ้าต้องเป็นปัจจิตังไม่ใช่ชาตินี้ต้องสร้างบา ร, รมีชาติหน้าจึงค่อยจะบรรลุธรรมไม่ใช่บรรลุธรรมเดี๋ยวนี้อาวันกันั่นล้ว มันหลงกับรู้เดี๋ยวนี้บรรลุทําแล้วหวามโกรธเขเปลี่ยนความโกรธเดี๋ยวนี้บรรลุทําแล้วพ้นจากความหลงพ้นจากความโกรธในความรู้สึกตัวแล้วะนะของจริงต้องเป็นอย่างนี้อันเดียวกันของจริงต้องเป็นอันเดียวกันเหมือนหลวงพ่อเทียนพูดใครพูดก็ตามถ้าเป็นของจริงต้องเป็นอันเดียวกันเห็นความรู้สึกตัวเนี่ยแต่เราเป็น มีความรู้สึกตัวก็เป็นคนคนเดียวกันเป็นคติอันเดียวกันถ้าเป็นความหลงจึงเป็นคนละคนหลงคนละวันละหลงคนละเรื่องนี่ก็เหมือนกันแต่ใครจะหลงยังไงก็ตามความรู้สึกตัวก็อันเดียวกันทันทีนี่คือตัวปฏิบัติผู้มาปฏิบัติก็ตรงมั่นใจ โอ้พูดก็ยืนหยัดปัดใจผู้สอนก็มั่นใจคําสอนที่เราสอนที่เราพูดกันก็เป็นอ่าพุทธศาสนาเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงคุ้มทรงผลพบทรงเห็นแจ้งมาแล้ ว, วเามาทําดูมาทําดูพก็เป็นจริงอย่างที่คําสอนของพระพุทธเจ้า พุโทโธเป็นผู้ลู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นจริงหลงว่าได้ลู้ได้จริงๆต่างกันอยู่ความหลงกับความลู้เพื่อได้ไปอย่างนี้พวกเราปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาอ้อนวอนเอาดีจากใคร ถ้าจะเอาดีก็เอาดีเองทําตามเองทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราที่นํามาสอนกันอยู่นี่ก็เอามาจากพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบเรียกว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นพุทธธรรมที่มีอยู่กับทุกชีวิตไม่ใช่พระพุทธ พ, พระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่เป็น่นุเชนไม่ใช่แต่ดีจากอาจารย์องค์นั้นหลวงพ่อองค์นี้ อนันมาเนิ่นช้าไปกราบอาจารย์องนั้นไปกราบหลวงพ่อองนี้อาจารย์ของฉันนันม่ใช่เอาดีจากการกระทำของตัวเองถ้ามีเมตตาก็มีเมตตาสาธถ้ามีอดทนก็มีอดทนไว้ถ้ามีสติก็มีสติถ้ามีศีลก็มีเอาเองมีสมาธิมีปัญญาจะไปพึ่งใครการปฏิบัติธรรม ต้องเพ่งตนเองต้องแก้ไขตนเองต้องมีสตินี่คือคำสอนที่เป็นจริงกำมือเดียวกระมือเดียวต้องมั่นใจอย่างนี้การปฏิบัติธรรมแล้วเมื่อมั่นใจอย่างนี้ก็กระตือรือร้นมากเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัวแล้วเดี๋ยวเนี่เราเป็นพระต่อกันมาก เาเบียดเบียนตัวเองก็คนอื่นก็เดือดร้อนเราเวียดเบียนคนอื่นก็คนอื่นก็เดือดร้อนอย่างโจดภาคใต้พูกก่อเรื่องก่อล่าเขาก็เบียดเบียนคนอื่นก็เดือดร้อนทั้งพวกเราเพราเราก็ต้องจะไปช่วยกันคิดจะไปช่วยกันอยากจะไปเยี่ยมพระภาคใต้เราก็มีเพื่อนที่นั่นด้วยนะ แล้นี่เจ้าคนสมเด็จพุทธาจารย์ก็ไปเทนนนแล้วพวกปฏิบัติแทนสมเด็จพระสังฆราชน์มันก็เดิดร้อนกันนี่ปฏิบัติทับตั้งต้นจากตัวเรานี่ยแหละให้มั่นใจให้มั่นใจประอยชน์แห่งหนตําบนไหนก็อยู่กับตัวเราเราอยู่ที่นี้ก็ไม่ใช่อยู่ด้วยกันเราอยู่กับตัวเอง เราหลงก็หลงพ่อก็ช่วยไม่ได้ท่านต้องช่วยตัวเองนะให้หลงใครจะเจ็บอารมณ์ใครจะไม่เจ็บอารมณ์เหมือนกันนะดูแลตัวเองแล้วว่าแต่ฟังเอาไว้เนี่ยบอกไว้อย่างนี้ให้รู้สึกตัวให้รู้สึกตัวแล้วก็ทําได้ด้วยในการเวลาสร้างความรู้สึกตัวมันก็มีความหลงเกิดเึ็นบางไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าไปสะ ด, ดุดปล่อยให้มันเรียบไปเลยความหลงทำํำไมเราเรียบนะ เอาดีๆแล้วนะไม่ใช่ทํำไ้เป็นคลื่นนะพรมหลงทำไมเราเรียบเราสร้างความรู้สึกตัวมีคุณภาพเพื่อให้เกิดความเรียบเหมือนเขาสร้างรถอะไรรถวิบากรถอะไรที่ลุยที่โกลนที่ต้มไม่หยุดก่อกมันรถจานต้มมีสองเผาขึ้นเขาขึ้นอะไรก็ได้มันทําให้เข้มแข็งความอ่อนแอทําให้เกิดความเข้มแข็ง ในชีวิตเราก็มีเหมือนกันรเราฉะนั้นก็พูดใกนการฟังทุกเช้าทุกเกณฑ์พวกเราก็มีเพื่อนมีเมตตานะอุ่นใจอ่าก็อ้าวันนี้ก็สมควรแจ่เวลาเราก็กราบพระพร้อมกัน